จเจริญพรญาติโยมทุกๆท่านเราพูดกันในรถบ้างที่ไหนบ้างวันนี้ก็มาพูดที่โรงแรมไปประเทศจีนขึ้นไปพูดโรงแรมชั้นที่ยี่สิบแต่วันนี้พิเศษในพูดในสนามหญ้าแต่ไม่ใช่หญ้าจริงหญ้าปลอม คนนั่งกับปลอมให้กางๆที่เครื่องประดับให้พวกไอ้ต้นจังก็บปลอมโรงแรมนี่กับปลอมไม่มีของจริงที่เรามาดูนี่ไม่มีของจริงมีของปลอมทั้งนั้นเลยทีนี่จะเห็นว่าการตรัสของพระพุทธเจ้า สิ่งจังปวงเกิดดับว่างจากตัวตนเท่านั้นเพราะมันปลอมดังนั้นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ <OH? <Police> เพราะมันว่างจากตัวตนมันเลยเกิดดับถ้ามันเกิดแล้วไม่ดับดับแล้วไม่เกิดคือของจริงแต่นี้มันไม่จริงมันเกิดดับเกิดดับเพราะมันว่างจากตัวตน เราจะต้องเห็นว่าโลกนี้เป็นของว่างพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้ดูโลกโดยความเป็นของว่างเพราะมันว่างจากตัวตนจิตก็ว่างจากตัวตนกายก็ว่างจากตัวตนสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นริ้มรดกายสัมผัสวันล้วนจะเกิดดับเนี่มันว่างจากตัวตนดังนั้นให้เราเห็นอย่างนี้ เราเห็นว่าว่างจากกลัวตนไปก่อนให้มันชินพอมันชินแล้วมันปัญญามันก็จะเกิดจะเกิดเห็นว่าว่างจริงๆมันไม่มีตัวตนจริงๆมันว่างจากกลัวตนจริงๆเพราะไม่มีอะไรที่มันหยุดนิ่งทุกอย่างหนึ่งก็ไม่มีอะไรหยุดนิ่งแต่ความต้องการของเรานี่ต้องการนั้มันหยุดนิ่งให้มันอยู่นิ่งนิ่งไงมันอยู่นิ่งนิ่งงมันอยู่นิ่งนิ่ง ที่นี้เราทำสมาธิต้องการให้จิตนยมันหยุดนิ่งมันวุ่นวายพระจิตนี้มันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับผู้ที่จะเห็นความว่างต้องเห็นจิตเกิดดับว่างจากตัวตนจิตดวงที่เกิดพอเกิดแล้วมันดับดับแล้วที่เกิดใหม่ก็ดวงใหม่อีกก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกเกิดอีกดับอีกเกิดอันอยู่อย่างนั้น ไม่ชินสุดไม่มีคาว่าชินสุดนั่นจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าใครที่ปฏิบัติถึงจุดนี้คือจุดที่ว่าสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนให้เราภาวนาสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนพอเราเห็นว่าวันว่างจับเลยจับตัวว่าง ว่างวุ้ยว่างวุ้ยว่างว่างว่างว่างว่างเดินว่างว่างนั่งว่างวางนอนว่างวางกินว่างว่างเนี่ยมันว่างจากตัวตุนั่งนั้นเรากินอาหารเข้าไปรู้สึกอร่อยเกิดแล้วอร่อยนั่นแหละดับเอาว่างไปแล้วอนิจจังก็อยู่ในนั้นเราก้าวไปยึดมันเถอมันทุกข์ังก็อยู่ในนั้นอนัตตาก็อยู่ในนั้นนี่ ที่เราเราไม่รู้จักเพราะเราเคล้อยตามมันไปหมดเห็นว่านิดจังเห็นว่านิดจังกองเตี้ยงกองเตี้ยงกองเตียเต้ยงอร่อยไอ้คําที่หนึ่งกับคําที่สองเนี่ยมันเหมือนกันมันไม่ได้เหมือนกันคําที่หนึ่งนิดจังอ๋อแล้วก็ดับไปคําที่สองก็นิดจังองีกดับไปอีกใจเพิ่มก็ไปใหม่อีกไอ้ตามจริงจรงมันเหมือนกันหมดนิดจัง เนราก็ยึดมันถือมันก็ใใจเข้าไปอีกอะไรอีกนิดจังอีกเราพอใจอีกในจุกขังนั้นแหละพอใจในจุกขังนั้นแหละแต่ตามที่จริงอะมันกังวนกังวายที่จะเอาคำที่สองมันก็เลยเป็นทุกขังมันกังวนกังวายที่จะเคียวอีกที่จะกลืนอีกเป็นคำที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามันไม่ใช่ คำเดียวกันมันคนละคำคนละคมคนละคำมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วมันก็ว่างมันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ว่างมันจะวุ่นมากวุ่นมากสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนเนี่ยลองไปทําดูดิลองไปทําดูมันก็ว่างจากตัวตนทังนั้นเราบอกเราบอกว่ามันว่างหยุดเลยมันหยุดมันหยุดแล้วมันเห็นเป็นกองว่าง เห็นเป็นของว่างจริงๆคือว่างจากตัวตนจริงๆแล้วเราก็ต้องระวังว่าอย่าไปเห็นว่าว่างไม่มีมันว่างจากตัวตนแต่ว่างนั้นมันอยู่ในมีตัวตนนั่นแหละในมีตัวตนตัวนั้นนั่นแหละมันมีตัวตนแต่มันว่างจากตัวตนใี่เราเห็นไม่ละเอียดเราเห็นไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเราเห็นด้วยเรียกว่าด้วยด้วยความโง่ของมัน คนทั้งหมดก็เห็นอย่างนั้นทางนั้นเห็นอย่างนั้นทางนั้นนี่ธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติทั้งหมดเกิดดับว่างจากตัวตนเกิดดับทางไหนทางตาก็ดับทางไหนทางหูก็ดับทางไหนทางจมูกก็ดับทางไหนทางลิ้นก็ดับทางไหนทางกายเอหลับตาเถอะก็ดับทางไหนเกิดดับทางใจแต่มันล้วนแต่ว่างจากตัวตนทางนั้น มันไม่มีอะไรมันมีแต่ว่างจากตัวตนถ้าเรารู้จักว่ามันว่างจากตัวตนสนิทสนมกับคำว่าว่างจากตัวตนเราก็อยู่กับว่างว่างว่างว่างวางวางวางวางวงว่ามันจะตายแล้วมันยังไม่ว่างตัวกูตัวกูตัวกูความเจ็บของกูความป่วยของกูความแก่ของกูอะไรของกูมันไม่ว่างมันไม่ว่าง บอกไม่ใช่ของกูโอยไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูว่างว่างว่างว่างว่างว่างเขาเราจะตายแล้วเขาจะให้ออกซิเจนกันอยู่อย่าให้ดีกว่าหลวงพ่อว่าอย่างหลวงพ่อนี่อย่าให้เลยอย่าให้เลยให้เราก็ดูโอ้มันว่างว่างวงวางวางอย่างนั้นมันว่างอย่างนี้มันว่างอย่างโน้นมันว่างทอดจิตออกไปเลยจิตกูถอดออกไปเลยไปอยู่กับจิตที่ไม่มีกูอยู่กับจิตที่ว่างว่างอยวกับจิตที่ว่างว่างกลางนอก ก็ดูร่างกายที่มันไม่ว่างที่มันจะตายมันนอนดิ้นรวดรวดรไม่ใจกูไม่ใช่กูไม่ใจกูบายบายบายบายไม่ใจกูนี่ไม่เอาไปแล้วบายบายเลยเห็นไหมนี่แหละไม่ต้องไปเอามันถ้าไปเอามันไม่ว่างมันไม่ว่างพอไปเอามันเนี่ยเห็นไหมอันี่เรามีแต่เอามันไม่ว่างถ้าเอาแล้วมันไม่ว่าง ถาปล่อยว่างแล้วมันว่างนี่มันว่างจากตัวตนมันว่างจากตัวกูมันว่างจากของกูมันมีตัวกูมันมีของกูแต่แล้วมันซ้อนอยู่มันทับซ้อนกันอยู่ในนั้นเนอะทับซ้อนในในในไอตัวที่มันไม่ว่างนั่นแหละตัวว่างก็ทับซ้อนอยู่ในในตัวไม่ว่างนั่นแหละนี่ทับซ้อนอยู่อย่างนั้นทีนี้เราก็ภาวนาให้มันเห็น เสิ่งทั้งปวงว่างจากัวตนนี่เมื่อเช้าพอตื่นขึ้นมาคืนนี้ก็ตื่นสายหน่อยตื่นตีสปกติตีสองตีหนึ่งคืนนี้ตื่นตีสเขานั่งคุยกันนานเมื่อคืนอ้ น, นี้ตื่นตีสี่เข้าห้องน้ําห้องถาอะไรเดียบร้อยเดินจงกรมตรงนั้นและมันมีที่ให้เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินจงกรมเออ ทำยังไงเสื้อทำยังไงทำยังไงโลโก้ทำยังไงสิ่งทั้งปวงเกิดดับพวงจากตัวตอนองกลมอยู่ด้านหนึ่งอยู่ด้านหนึ่งอาอริยสัจสี่เทวสี่บวกสาเท่ากับสุญญาตาไม่ใช่ศูนย์เท่ากับสุญญาตาอยู่อีกด้านหนึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง ทีนี้ก็เปลี่ยนออกมาว่าธุกิจช่วยที่มาช่วยหลวงพ่อทีที่นี้แยกที่แยกที่กก็เราก็แยกแยกทำยังไงเพราะว่าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอ้าเาเอามาซ้อนกันเหมือนกับภาพที่เราถ่ายรูปในในนั้นแหละในไออะไรไอไที่เราอ ท, ท, ที่เราต่ายรูปมันแหละในกล้องเนะี่ยทีนี้มันซ้อนกันพอซ้อนกันเราจับแยกเพราะว่าในเส้นของจีนน่ะในนิกาย์เส้นของจีนก็มีภาพสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอยู่ตรงกลางนี่เราก็แยกสี่เหลี่ยมอยู่ซ้ายมือสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางวงกลมอยู่ตรงกลางสุด ก็เลยจับแยกสามภาพนั้นจากภาพเดียวไ้เป็นสามภาพพอแยกออกสี่เหลี่ยมอริยสัจสี่ทุกธรรมูตายนิโรธอริยมร์ทีนี้พอสี่เหลี่ยมนี้แหละทุกเป็นยังไงอ่ะทุกเป็นยังไงอ่ะรู้จักกันได้จังว่าทุกเป็นยังไงอ่ะนี่ต้องรู้จักดิไม่รู้จักไม่ได้ไอตัวทุกทุกทุกทกทุกททุกไอตัวทุกตัวนี้แหละตัวสําคัญมาก ตัวนี้ที่มันกัดกร่อนชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นทุกทุกทุกทุกทุกอยู่อย่างนั้นเนาว่าเราไม่รู้จักมันเมื่อมันเมื่อเราไม่รู้จักมันมันก็มาจิกหัวเรามันมากัดกินเนื้อเรามันมันบีบหัวใจเราเราไม่รู้จักทุกเราไม่รู้จักทุกทีนี้เราต้องทำความรู้จักสนิทสนมกับความทุกข์ให้รู้จักมันพอรู้จักแล้วว่าโอ้ทุกนี่ น้ำตาไหลคิดอะไรก็คิดไม่ออกทุกข์เพราะอะไรเพราะมันยึดมั่นถือมันมันยึดมั่นถือมันนี่เหตุของมันเหตุของมันมันมีตัวเดียวเท่านั้นเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นถือมันทุกข์เกิดจากอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมันดังนั้นทุกข์แล้วเหตุได้เกิดทุกข์หลับตาดูนั่นเลี่ยมที่สองเลี่ยมที่สองคือเหตุให้เกิดทุกข์ เหตุที่เกิดทุกข์คืออุปาทานตัณหาก็ได้ตัณหาอุปาทานติดกันเลยตัณหาอุปาทานนะทุกข์อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ไอ้ที่มันทุกข์เนี่ยมันยึดมั่นถือมันอะไรมันยึดมั่นถือมันอะไรนี่ดูมันเถดูมันที่ตรงนั้นน่ยว่าเหตุ่มันอยู่ที่ตรงไหนนี่มันพุทธศาสนามันมีแต่ผลเหตุผลเหตุเนี่ยมีแต่ผลกับเหตุไม่มีอย่างอื่น ที่นี่ไปจัดการกระเวดมันจัดการกระเพดพอไหมพลังพอไหมไม่พอพลังไม่พอทําไมไม่พอก็เราไม่เคยรู้จักอริยมรรคไม่องแปดเลยไม่รู้จักอริยมรรคไม่องแปดไม่จําอริยมรรคไม่องแปดไม่เข้าใจอริยมรรคม่องแปดไม่ได้เนี่ยไม่ได้ฉะนั้นเหลี่ยมที่หนึ่งทุก เรียมที่สองสมุทัยเหตุเตุให้เกิดทุกข์นี่คือผลแล้วก็เหตุพอเรียมที่สามนิโรธนิโรธนิโรธคือตัวดับนิโรดคือตัวดับทุกขตัวดับเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ดับทุกนิโรธนิโรธเป็นผลให้จำเอาไว้นิโรดเป็นผลผลมาจากไหนผลมันต้องปฏิบัติเองนั่นแหละ ต้องปฏิบัติตามอริยมรกเมองแปดสมาติทิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นหมดเห็นหมดเห็นตลอดสายเห็นตลอดเห็นตลอดสายเห็นโ อ, โอ้สนามหญ้านี่เกียวสวยจริงๆครัมดูที่ปลอมหญ้าจริงหญ้าจริงก็ปลอมปลอมทางนั้นไอคนที่ไปจับปลอม เพาะอมตังนั้นเพราะในของปลอมตังนั้นไม่ใช่ของจริงเพราะมันเกิดดับสิ่งไหนที่เกิดดับสิ่งนั้นไม่ใช่ของจริงร่างกายเราก็ไม่ใช่ของจริงเพราะมันเกิดดับเนี่ยมันเกิดดับทีนี้เราคิดว่านั่นเกิดดับนูนดับเวลาตายนึย่งมันดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเนี่ยถ้าดูว่าสริระวิทยานี่รัว่วเนื้อหนังนี่มันเกิดดับยังไงเอา้าเสร็จแล้ววันๆเนี่ยมัน เรากินนี่วัตถุดิบเข้าไปนี่เนี่ยมันก็ถ่ายออกมาถ่ายออกมาทางไหนทางผิวหนังทางเช่นผมทางไหนต่อทางไหนเนี่ยมันถ่ายออกทางนั้นเลยเนี่ยมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไหลออกมันไหลออกทางนั้นไม่มีอะไรหยุดนิ่งเนี่ยมีแต่สิ่งที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่เราเห็นว่าโอ้มันเกิดดับอ่าเพราะ ทานกขไปเอาน้ําตายออกเอาที่เป็นเยื่อถายออกที่เป็นกากตายออกเอาหายใจเข้าไปเป็นลมหายใจเข้าเอาถ่ายหายเข้าหายเข้าไปอ่าออกมาออกมานี่ถ <c monkey> ่ายออกออกซิเจนออกซิเจนไอ้ที่เป็นไฟไยเพราะมันรวมกันอยู่ออกซิเจนอ่าพอเข้าไปก็มาเป็นคาร์บอน ก้าวไปก็มาเป็นคาร์บอนข้าวไปทำอะไรมันก็ข้าไปทาปฏิกิริยาไปช่วยเหลือทำให้มันอยู่ได้ทำให้มันย่อยอาหารบ้างทำให้มันมีความอบอุ่นขึ้นมาบ้างอะไรบ้างข้าวไปมีหน้าที่เผากระเผ า, เากันไปอะไรกันไปเนี่ยมันมเกิดดับเกิดดับเกิดดับทีนี่ความรู้สึกความรู้สึกคือจิตมันก็เกิดดับเหมือนกันแต่นี่เห็นยาก สิ่งทั้งปวงที ies, benefits, ่ม <160 became S 2> ันเกิดดับเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะมันไม่จริงมันไม่จริงถ้าเจียงโอ้ยมันเกิดดับกูไม่เอามึงโว้ยพรกูไม่เอามึงโว้ยกูอยู่นิ่งนิ่งไม่เอามึงโว้ยเรื่องเกิดดับกูไม่เอาเลยโว้ยเกิดเกิดทุกข์นั่นแหละเกิดก็คือเกิดทุกข์นั่นแหละดับก็ดับอะไรก็คือดับทุกข์นั่นแหละฉะนั้นทุกข์เคยได้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ พรทางให้ถึงความดับทุกขเนี่ยมันมีเท่านั้นหลวงพ่อไปถ้าอัจจันต่าหลวงพ่อก็คือไม่มีที่ถ้าไหนที่หลวงพ่อชอบเหมือนถ้าอจจันต่าอ จ, จันตาถ้าแรกถ้าแรกโอ้จะมีแต่อริยสัจสี่ทั้ทงนั้นเลยฉะนั้นหลวงพ่อคิดว่าพระที่ทำถ้ำนี้ที่คิดขึ้นมาในการผลิตถ้ำนี้ขึ้นมานี่นี่ทุก เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุ <_ S 1> hey, ได้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ <_ S 1> ความดับทุกข์ <_ S 2> เป็นอย่างนี้อย่างนี้โอนตางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมีสีแค่นั้นเองทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้พอรายละเอียดทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ทุกข์เรากำหนดรู้ได้แล้วว่าเพราะอะไรก็เพราะเห็นเพราะปฏิบัติตามอริยมรักคือสมาธิมีความเห็น อันถูกต้องอเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดดับว่างจากกลัวตนทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรควรบังคับเรียกว่าทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ทุกเรากำหนดรู้ได้แล้วเห็นไหมนี่พระพุทธเจ้าจะทำมืออยู่อย่างนี้เอาไปนิ้วที่สองเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เหตุก็ให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรละเก็บมันไว้ต่ำเมยเหตุเนี่ยเหตุเนี่ยมันทําให้เราเจ็บอกเจ็บใจเนี่ยกาเหตุได้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุได้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรละเหตุได้เกิดทุกข์เราละได้แล้วนี่นิ้วที่สองขอนิ้วที่สามความดับทุกข์นิโรดนิโรธความดับทุกข์ เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้งเออความดับทุกข์เป็นสิ่งที่เราทําให้แจ้งได้แล้วนี่นิ้วที่สามพอไปนิ้วที่สี่อริยมรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้อริยมรรคสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องอเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่ เห็นขันนาเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่เห็นไหมนี่ข้อที่อริยมรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้อริยมรรคเป็นสิ่งที่เราควรทําให้เกิดมีต้องปฏิบัติไม่ยับไม่ยั้งเลยต้องปฏิบัติธรรมาทิตติมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสีเห็นขันนาเห็นปฏิจจสมุปบาท นี่ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าตลอดสายแล้วเห็นตลอดสายแล้วเห็นตั้งตรงกลางเห็นตั้งเบื้องต้นคืออวิชชาเห็นตั้งตรงกลางก็คือนามรูปหรือกันนาแล้วเห็นสุดท้ายก็คือเห็นหมดเห็นหมดเห็นตั้งแต่ต้นลงไปสุดไปสุดเลยถึงถึงความทุกข์แล้วเห็นจากทุกข์ขึ้นมาข้างบนเห็นลง ข้างล่างขึ้นข้างบนเห็นข้างบนลงข้างล่างเห็นอยู่อย่างเนี้ยจะเห็นตัวไหนก็ได้ได้หมดเลยนี่เรียกว่าสัมมาทิฏิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสีเห็นขันห้าเห็นวัติจารมุปปาฏิบัตสี่นี่เรียกว่าเรียกว่าอะไระเรียกว่าเห็นอย่างละสี่ลสี่ลสลีอย่างระสี่ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วไม่ใช่อย่างยี่อย่างละสามทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากำหนดรู้ได้แล้ว3ามสามคูณสี่สานนี่เกิดยานเรียกว่ายาน12ญสองยานสิองนายยานนายอาริยสัจส12เขียนครบ ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วเอเดเกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอเดเกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละเอไดเกิดทุกเราละได้แล้วความดับทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับทุกเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้งเอเดความดับทุกเราทําให้แจ้งได้แล้ว ผลทางไอ้ถึงความดับทุกข์นี่คืออริยมรรคผลทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้สัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจเห็นกันนาเห็นปฏิจจสมุปบาทสัมมาสังกัปปมีความดํารีหรือมีความคิดอันถูกต้อง หนึ่งคิดในการออกจากกามสองคิดในการไม่เบียดเบียนสามคิดในการไม่มุ่งร้ายปัญญาสองข้อนี้เป็นปัญญาสามมาทิฏฐิสามมาสังกปะโปปัญญาสามมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากรรมโตทำการงานถูกต้องสัมมาอาจีโวเลี้ยงชีพถูกต้องศีลศีลศีลสามมาวายามโมมีความเพียรถูกต้องหนึ่ง เปียนในการระวังสองเปียนในการละสมเปียนในการสร้างสเปียนในการรักษานี่มีความเพียนอันถูกต้องธรรมาวายาโมธรรมาสติมีสติอันถูกต้องนี่ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยมีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา กายนี้นี่กายที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ลนะ่ะกายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนจะไปยึดมั่นถือมั่นมันนี่เรามาที่นี้เรามาที่จะศึกษามาในประเทศอินเดียนี่แหละจุดไหนจุดไหนจุดไหนจุดไหนทำไมคนไทยจึงชอบมานักแต่คนที่ชอบมาจริงๆ มีแต่ศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่ได้อะไรเพราะศรัทธานั้นเดี๋ยวมันก็เสื่อมแต่ถ้ามาพร้อมด้วยศรัทธาพร้อมด้วยปัญญาศึกษาก็าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรฉะนั้นในธรรมะจันทาตั้าแรกที่เราเข้าไปนั่นแหละมันมีแต่เรื่องอริยสัจสีทั้ทงนั้นเลยทั้องรมนั่นแหละอริยสัจสี่ทั้งนั้นเลยหลวงพ่อประทับใจธรรนี้มากกว่าถ้รอื่นหมด แต่ถ้าเราไปที่จีนมีบ้างไปที่ญี่ปุ่นมีบ้างมีสุญญตามีอะไรมีสุญญตาถ้าอยากรู้สุญญตาต้องไปจีนไปญี่ปุ่นจะรู้สุญญตาถ้าไปที่อื่นไปอื่นที่อื่นไปนอกจากแต่เอเชียแล้วไปแถวยุโรปจะไม่มีจะไม่มีมีแต่วัตถุวัตถุวัตถุวัตถุวัตถุ แต่ในวัตถุนั้นเนี่ยถ้าเราตึกษาไปแล้วเรากีโอ้นี่ที่อิตาลีนี่ทําไว้มันผูผูพังพังอะไรอย่างนี้อานิจจังทางนั้นเลยไม่มีอะไรของจริงอานิจจังเอออย่าไปยึดมันถือมันมันเอถ้ายึดมันถือมันเกิดอะไรทุกขขังแล้วมันเป็นเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนไอ้คนสร้างก็ตาย วัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ปังนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วเป็นยังไงมันมาจากดินมันมาจากหินมันมามันก็กลับไปเป็นดินตามเดิมนี่ยตามเรื่องของมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เฮ้ร่างกายเนี่ยมันมาจากไหนมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟมาจากลมอา้าวและจิตทํายังไงทีนี้ขอพูดเรื่องจิตดีแค่จิตมันไปไหนทีนี้ไปไหนอะ มันมีเงินมีทองตายแล้วไปคว้าอยู่นั้นะมันไปเป็นเจ้าของธนาคารอยู่ไปแย่งเขาเพไปคว้าอยู่ที่ธนาคารน่นแหละแต่ไม่เท่าไราลูกหลานก็เอาไปทำเจ๊งหมดเนี่ยมันคว้าอยู่นั้นเน่ยคว้าอยู่นั้นเจ็ดเจดทีนี้เจ็ดที่มันเห็นว่าโอ้เราเอาเพชรค่อยไว้ในตู้ธนาคารเสียปีหนึงเท่านั้นเดือนหนึ่งเท่านั้นเอาเงิน เอาทองไปใส่ในในธนาคารอแ้่เป็นยังไงดินมันก็คว้าวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหะเมื่อก่อนน่ะคว้าอยู่กับดินเพราะว่าคนสมัยโบราณยังไม่มีธนาคารเอาเงินทองใส่หอยใส่ต่างหูใส่คออะไรต่ออะไรแหวนใส่หอยใส่ตุ่มขุดดินขุดดินในลึกๆแล้วก็ ก็อบ อ, อกไว้ายายใครเห็นแลตัวเองพอตายแล้วก็ฝ้าอยู่นั้นเนี่ยกิวิญญาณที่มันไม่ตายมันไม่อยากตายมันก็เกิดดับเกิดดาบเกิดดาบเกดบอยู่ตรงนั้นมันไม่อยากตายนี่เห็นไหมไปไหนวิญญาณที่เราไม่ต้องการวิญญาณนั้นเราต้องทิ้งวิญญาณนั้นทิ้งร่างกายทิ้งวิญญาณนั้นแล้วไปอยู่กับสุญญตามัน บ้านของเราบ้านที่อมะตะคือบ้านจุญญตาจุญญตาคือจิตที่ว่างจากัวตนเพราะเราเห็นว่าทองโอ้เหล่าธาติเหลืองๆไปหลงมันทําไมทองอ่ะก้อนอ่ะหลงมันทําไมเพชรก้อนหินไปหลงมันทําไมพลอยไปหลงมันทําไมนี่อย่าไปหลงมันอย่าไปหลงมันโยดโยดโยดโยดโยดโย ด, โยดมีแต่ว่าก็มึงเป็นก้อนหินนี่ นี่กูไปงานจบ ก, กว่ากูแต่งมันโฉดโฉดงามงามเหมือนเพื่อนก็ย้ายมันอายเขาแต่ตามที่จริงวันนี้กูเอาก้อนหินมามาแปะกันที่หูอีกแล้วเนี่ยมันจะได้เห็นแววแวววาวเอาก้อนหินมาประดับกันที่หน้าอกอะไรอย่างนี้แหละคือทุกครั้งเวลาเอาเพชรเอาทองมาประดับโอ้นี่เอาก้อนหิน อไอ้เล่ท่าที่เหลืองๆเนี่ยเอามาแขวนข้าวอะไรข้าวคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดอย่างนั้นแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่คิดว่าอนี่มันแล่ทาเดี๋ยนี้มันเลท่ทาเดี๋ยนี้แ ล, ทลทออ่ท่าเดี๋ยวเอาไปทำทำไปทำยังไงโลกก็เป็นอย่างนี้เรายัางอยู่ในสังคมเราก็แต่งไปอย่างนั้ น, น <S <s แต่ว่าแต่งด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันม น, นี่มันก็ไม่หนักหรืออย่างนั้น มีโดยไม่ต้องมีมีโดยไม่ต้องมีทีนี้ข้อที่ว่ามีสติเห็นกายในกายทิ้งกายทิ้งกายนี้กายนี้มันเป็นเหมือนเรือํำหนึง่งเราต้องการที่จะไปสู่ที่ไม่ตายที่ร่างกายนี้ไม่ตายดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟ ได้แล้วเป็นอย่างไัมันก็ไปสู่ตามธรรมชาติมันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าจิตเราไม่รู้ที่ไปไม่รู้ที่ไปพอจะตายกันะแม่แม่แมสงบเอาไว้จะงบอาไว้ไอ้คนที่บอกก็ไม่สงบไอ้คนที่จะตายก็ไม่สงบมันจะสงบยังไงอันี้พระอรหันต์คือท่านเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี่แปลว่าเวน้นท่านเวน้นเว้นทุกสิ่งทุกอย่างคือเว้นเลิกความยึดมั่นถือมั่น พอรู้ว่าชีวิตนี้ไม่รอดแล้วไปกราบทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลอะไรกราบทูลลาพระเจ้าข้าข้าพระองค์จะเข้าไปในป่าไปในถรร้ำไปทํากาลกิริยาพระเจ้าข้าอหลวงพ่อ ก, กฎเรียนเรียนเรียนมากาลกิริยาก็คือไปตายก็รู้แค่ น, นั้นเองมันไม่ใช่ไปทํากาลกิริยา กาละอเปลียวตายกิริยาคืออาการไปทําอาการตายนี่ไปทําอาการตายคนที่มันใกล้จะตายที่มันอาการตายเนี่ยเราสังเกตดูเถอะมันมันมันจะไม่เหมือนกันบางคนก็ชักเงกเๆๆเกเงกเงกเนี่เราจะเห็นว่าอาการตายนั้นมันไ อ, ไอตะคิวตะคิวมันจับก็คือมันจะหนาว พอหนาวนี่ยมันก็เย็นขึ้นไปที่เท้าอ่ะที่มือก็เย็นหรือว่าเท้าเย็นเย็นขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดนี่ลมมันมันไม่ทําหน้าที่แล้วมัน่อก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงเอ้าลําอีกเพรามันก็มันกินอะไรไม่ได้แล้วอมันถึงเวลาแล้วมันไม่ทํางานแล้วมันไม่ย่อยแล้วกระเพาะกระเพืออะไรมันก็ไม่ย่อยแล้วไม่รับอาหารแล้ว รำไสามันก็ค่อยๆขมวดเข้าไปขมวดเข้าไปขมวดเข้าไปขมวดเป็นวงกลมเหมือนกับสายเดือนนั่นแหละที่เลืก อ, อขมวดเข้าไปกขมวดเข้าไปกขมวดเข้าไปมีคนหนึ่งที่อยู่ที่ภูเก็ตเขาก็บอกอาการตายหลวงพอ่อว่าโอ้นี่เพิ่งเสียไปยังไม่เผาคนนี้ก็เป็นมะเร็งแล้วหลวงพ่อก็เยี่ยมไปเรื่อยๆอยากให้กําลังใจไปให้กําลังใจเขาก็เลยบอกว่านี่ โอ้ยอตอนที่จะเสียชีวิตนี่ปวดท้องเี่ก็บอกบอกบอกสามีบอกพี่พี่น้องน้องนี่ปวดท้องปวดท้องอย่างแรงเลยนี่ปวดที่นั่นน่ยมันขมวดเข้าไปขมวดเข้าไปขมวดเข้าไปไอ้นี่มันไม่อย่างนั้นอีกพอจะถึงเวลาจริงตาเนี่นะเพราะว่านอนบนเตียงตามจะขม่งออกไป ดูคนที่อยูอ่ที่ปลายเตียงเนะี่ยตาก็เหม่งหน่หงพ่อไม่รู้แกเห็นอะไรเนี่ยไม่รู้แกเห็นอะไรตาถลนออกมาเลยหงพ่อก็วิจัยเอเขาทำไมมันไม่ถลนนะเพราะว่าไอประสาตานะี่ยมันพอแล้วมันเลิกแล้วก็ไม่เอาแล้วเว้ยไม่เอาแล้รเว้ยมันก็เลิกทำหน้านะที่เลิกทําแนละ้วทุกคนถลนออกมาเห็นไหมนี่ คือประสาทตามันจะหยุดแล้วมันจะหยุดแล้วทำงานครั้งสุดท้ายแล้วนี่คนสมัยโบราณก็บอกเออลูกเอยเวลาแม่ตายนะช่วยปิดตายแม่ด้วยนะยนี่เพราะว่าตามันตหล่นดิช่วยปิดตาเวลาตายแล้วก็ปิดตายอ ย, อย่างนั้นเห็นไหมแคนั้นนี่เรียวกวิริยากิริยาอาการอาการตายอาการตายมันมีหลายๆอย่างเลยก็ มันจะชักแง ก, กๆ ๆ, ๆะแงะอมันจนกระทั่งวแต่เดี๋ยวนี้จะดูยากถ้าธรรมดา S. S. มันจะไม่ยากทีนี้ยิ่งคนไม่รู้เลยก็แย่เลยเราะวให้ออกซิเจนออกซิเจนก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปก็แต่แล้วเป็นยังไงพอใส่ออกซิเจนเข้าไปมันไม่รับแล้วไม่รับแล้วทีนี้พอดูอพอดูไอ้นั้นเนี่ยมันค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงจน น่นแต่ลงถึง30มิแล้วเดียวลงถึงศูนันหมายความว่ า, ม ห, มาหมดแล้วหมดแล้วนี่อาการตายทีนี้อาการตายตามปกติที่เราไม่ไปยืมมันนะ่ะงั้นก็ตายตามปกติทีนี้มันเรานี่ไม่ต้องไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันตายนี่ไม่อยากตายเราเกิดมาทำไมมันก็ตายทางนั้นเลยตายทางนั้นเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าอาการตาย พระอาหารหันต์ท่านก็เลยไปการาบลาพระพุทธเจ้าไปการาบแล้วข้าพระองค์จะไปทําการละกิริยาพระเจ้าข้าเพราะอาการตายเน่ยมันไม่สวยไม่งามไม่สวยไม่งามทีนี้เราจะต้องตายด้วยความสงบอยู่ก็อยู่ด้วยความสงบตายก็ตายด้วยความสงบพอตรัญญาตาตุญญาตามันเต็มที่แล้วก็สงบสงบสงบสงบสง บ, สงบ หายใจข้าวสงบหายใจออกสงบเดินสงบนั่งสงบนอนสงบเราก็อยู่กับสงบบ้างอยู่กับสุนทตาว่างบ้างอยู่ว่างว่างอยู่ว่างว่างอยู่ว่างว่างนั่งว่างว่างนอนว่างว่างเลิกยึดมันถือมันเอาว่างว่างนก็สงบนิ่งไม่คิดอะไรทางนั้นเลยไม่คิดว่ากูอยู่หรือว่ากูตายไม่คิดอะไรทางนั้นเว็บไม่คิดเลิกเลิกคิดอยู่กับความสงบ แค่ความสงบเนี่ยมั น, มนไม่ใช่เหมืนเพิ่งมีความสงบมันมีอยู่ก่อนก่อนที่จะมีโลกมีจักรวาลมีดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรต่างๆความสงบมันมีอยู่ก่อนทางนั้นอันนี้มาที่หลังจากนั้นเราต้องจัดจิตของเราให้เข้าไปอยู่กับความสงบคือเข้าไปอยู่กับความว่างพอว่างหมดแล้วมันก็จะสงบว่างหมดแล้วก็สงบถ้าไม่ว่างเราถ้าไม่ว่างเราก็พิจารณาให้เห็นเป็นของว่าง เจนพระนี่ท่านก็จะต้องยถาปัจจยังเวลาโหมจีวอนยถาปัจจยังปาวัตตมานังตาตุมาตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักวัาน์ตามธรรมชาติตาวนั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจะอยู่เนืองนิดยะตีทางจีวรังตาตุปภุญจะโกจะปุกโลสิ่งเหล่านี้คือจีวรและคนผู้ชายโยจีวอนนั้น ธาตุมัตตโกเป็นสักไดว้ว่าธาตามธรรมชาตินิสัตโตมีได้เป็นสัตว์อันยัง่งยืนนิ จ, จีโวไม่ได้เป็นจีวะอันเป็นบุรุษบุคคลพอถึงประโยคสําคัญว่าสุญโยว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเห็นไหมพิจะระ า, า, า, ารณ า, าเป็นของว่างอาหารก่อนที่เราจะทานจะกินจะฉันพิจารณาเป็นของว่างอาหาร เชื่อบผ้าเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคที่อย่างพิจารณาเป็นของว่างแล้วต่อไปมันก็ชินเป็นเป็นของว่างหมดอะไรก็ว่างอะไรก็ว่างอะไรก็ว่างเลิกความยึดมั่นถือมันนี่แล้วความทุกข์มันจะมาจากไหนทีเนี้นี่เห็นไหมฉะนั้นพอเห็นเป็นของว่างนิโรธเกิดนิโรธเกิด เพราปฏิบัติตามอริยมรคไม่องค์แผน่นทีนี้หลวงพ่อพูดว่ามีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขากายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างกากตัวตนเห็นไหมไม่เอาแล้วกายนี้ว่างทางนั้นเนี่ยสวยสวยแค่ไหนอ่ะสวยแค่ไหนก่ี้เละแค่ไหนเหมือนกันหมดว่างเหมือนกันหมดไม่ว่าสวยโดอขี้เละ เหมือนกันหมดนั่นก็มีสติเห็นกายมีสติเห็นเวทนานี่มันยากหน่อยมีสติเห็นเวทนาในเวทนาว่าเวทนานี้ไม่ใช่จับุคคณเวทนาความพอใจก็ไม่ใช่จับุคคลความไม่พอใจคือความทุกข์นั่นแหละความทุกข์นั่นแหละก็จะป่วยนะั่นไม่ใช่จับุคคลตัวตนเราเขาเวทนานี้มันเกิดดับ เพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนมันเป็นคลื่นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเวทนานั่นที่มันเข้ามาทางตาทา ง, ทางหูแล้วมันก็ด้วยอำนาจความเคยชินมันก็เข้าไปยึดมันม่นถือมั่นสมองนั่นแหละสมองเนี่ย้เก็บเอาไว้ในสมองแล้วเอามาเทียบว่าอันนี้อย่างนั้นอันนี้อย่างนี้นี่เวทนานี่เรียกว่าเวทนา ดังนั้นเวทนานี้ก็เกิดดับสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนกายก็เกิดดับเวทนาก็เกิดดับจิตก็เกิดดับธรรมชาติทั้งหมดเกิดดับว่างจากตัวตนทางนั้นนี่ในสติในสัมมาสติหรือสติปัฏฐานก็เหมือนกันแต่ถ้าไปทำหนอข้าวยก นอเยียบหนอยางหนอหนอ๋อนอนอนอนอนอนอได้สมาธิไม่ว่างไม่ว่างนี่มันต้องว่างมันต้องว่างจุดท้ายมันต้องว่างเพราะถ้าว่างเลยก็สบายเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าน้ออยู่อย่างนั้นได้แค่สมาธิก็อนอจนตายอะไรที นอจนตายไม่ได้นี่ต้องยกจิตขึ้นสวิปัญนานะฉะนั้นยกจิตจิตขึ้นสวิปัญนานะก็ยกขึ้นสู่สัมมาทิฏฐิพอยกขึ้นสู่สัมมาทิฏฐิสรรมาฉังกับโพสัมมาวาจาธรรมากัมมันโตสรมมาอาชีอาจิาวธรรมาวายามุธรรมาสติเป็นปัญญาหมดเข้าไปเป็นสัมมาสมาธินี่ พอจะทำอะไรจะคิดอะไรใช้สมาธิพอใช้สมาธิพอทำจิตให้เป็นสมาธิก็ยกขึ้นสูปัญญาพิจารณานี่อริยมรรคไ้องเปดพูดลวกลวกอย่างนี้พูลวกลวกอย่างนี้ทายังไงเวลามันจำกัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติให้เห็นสีรียมทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกาหนดรู้ทุกเรากำหนดรู้ได้แล้ว เอได้เกิดทุกข์คือความยึดมั่นถือมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอได้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรละเอได้เกิดทุกข์เราละได้แล้วมันต้องวัดละได้แล้วนั่นแหละในความรู้สึกนั้นว่าไม่ยึดมั่นถือมันมันเพราะเราเห็นว่าจริงเดี๋ยวนี้มันไม่ยากหรอกศึกษาเดี๋ยวนี้ลนะ่ะวิทยาศาสตร์มันเข้ามาช่วยตั้งเยอะวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยทองคืออะไร เงินที่ก็พิมพ์เป็นกระดาษนัคืออะไรดวงอาทิตย์คืออะไรดวงจันทร์คืออะไรดวงดาวคืออะไรดาวอังคารคืออะไรโลกนี้คืออะไรร่างกายคืออะไรเจตคืออะไรนี่คืออะไรอะไรอะไรอะไรแล้วมันเป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรเลิกเลิกมันนี่แห็นไหมมันสะดวกถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ พอพิสูจน์แล้วยิ่งง่ายยิ่งง่ายนี่ผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์นั่นแต่หลวงพ่อก็ยังค้นคว้าไปเรื่อยๆนั่นแหละก็ยังรู้ว่าโอ้ก็ไปดาวอังคารแล้วมันมีอะไรมีอะไรดาวอังคารมันมีแต่ก้อนหินก้อนอะไรพวกนั้นทางนั้นไรธาตุทางนั้นเลยไม่มีอะไรเลยแล้วไปบันทำไมมันไปมันทําไมแล้วมันดับทุกข์ได้ไหมมันดับทุกข์ได้ไหมแล้วไปทําไมดวงจันทร์ไปทําไมอะไรทําไมเพียงแต่รู้แต่ว่า นี่เขาไปเนี่ยเพื่อที่จะไปหาแร่ธาตุหาแร่ธาตุหรอ่ธาตุที่หายากที่สุดในโลกนี้ไม่ค่อยมีแล้วต่อไปจะเอายานอวกาศไปขนแล้วอมันตะลุงกันนี่แหละมันผิดมากมนุษย์เนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นมันมีแต่ความยึดมั่นถือมั่ น, นในโลกนี้มันยังเที่ยวไม่จบเลยนี่ที่ทางภาคเหนือของโลกนี้แหละที่ใต้น้ำที่ลึกลงไปที่มันมีทะเลนะ่ที่มันมีทะเลเนะ่ะ แต่มันยังลงไปไม่ถึงก้นทะเลเลยแล้วมันโน่นไปดาวอังคารไปโน่นไปนี้แล้วยาวว่าอย่างนั้นเลยมันไกลไปที่ร่างกายมันกายเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงจิตเป็นยังไงธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่ที่จิตเนี่ยมันเป็นยังไงมันยังไม่รู้เลยแล้วการความทุกข์เป็นยังไงเหตุให้เกิดทุกข์เป็นยังไงความดับทุกข์เป็นยังไงหนตาให้เกิดทุกข์ถึงความดับทุกข์เป็นยังไงมันยังไม่รู้เลยให้มันไปทําไหมนี่ แล้วมันไปทำไวเห็นไหมนี่แหละมันทะลุงกันแล้วมันมันเที่ยวแต่ข้างนอกข้างนอกมันเที่ยวแต่ข้างนอกแล้วข้างในนี่ที่กายที่จิตนี่มันไม่เที่ยวมันไม่ศึกษาข้างนอกก็เที่ยวได้รู้ได้ศึกษาได้แต่ว่าเอามาเทียบดูกับข้างในนี่ต้องอย่างนี้ฉะนั้น เ, เรื่องอริยสัจสี่รู้ได้ด้วยการปฏิบัติ ตามอริยมรรคมีองค์แปรู้ได้ว่านี้สี่เหลี่ยมเป็นอย่างนี้สี่เหลี่ยมทุกสมุดไทยนีโรูอริยมรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมทีนี้พอสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคือพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมประสงจะจับจับเหลี่ยมไหนก็ได้พระพุทธประธรรมประสงพระพุทธประธรรมประสงพระพุทธประธรรมประสง์พระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหน ไม่ใช่อยู่ที่เนื้อไม่ใช่อยู่ที่หนังอยู่ที่จิตของท่านคืออยู่ที่จิตว่างอยู่ที่จิตว่างของพระองค์โน้นทีนี้พระองค์จัดว่าใครก็ตามมาจับจีวรของเรามาจับเนื้อจับตัวของเรานี่ไม่รู้จักเราเรากพราอะไรเพราะเรามันไม่มีเรามันไม่มีเรามันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ธรรมโน้นเราของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมโน้น ธรรมชาติที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาว่างจากตัวตนดูก่อนว่าการิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นเกิดดับแล้วก็ว่างจากตัวตนเห็นเกิดดับว่างจากตัวตนเกิดดับว่างจากตัวตนเห็นจิตพระพุทธเจ้านั้นเกิดดับแล้วว่างจากตัวตน อนี่ต้องปฏิบัติให้เห็นจิตของตัวเองเพน่นจิตตัวเองนี่ก็เกิดดับว่างจากตัวตนนั้นไม่มีอะไรที่จะน่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดจะมาจับริมจีวรของเราก็ยังไม่รู้จักเรานี่ทีนี้เราก็หาประทัดประทัดประทัดประทัดก็หาที่ประทัดหายพบในตัวเอง สุญญตาธาตุสุญญตาธาตุอุธาตรว่างนถ้าพูดเรื่องธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุควยธาตุลมอากาศธาตุจ้องว่างเลยอากาศแล้วก็วิญญาณธาตุธาตุรู้ธาตุรู้รู้อะไรรู้สุญญตาธาตุรู้สุญญตาธาตุนี่เราก็มาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาธาตุรู้ตัวนี้ให้มันรู้ถึงที่สุดว่าโอ้พอรู้ถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรเลยว่างว่างว่างทุกอย่างว่างจากวัวตนทั้งนั้นนี่รู้จักธาตุว่างเรียกวา่าสุญญาตาธาตุสุญญาตาธาตุที่อยู่ของจิต ก, ก็คือสุญญาตาธาตุสุญญาตาธาตุาธาตุว่างแล้วมันตายที่ไหนาธาตุว่างมันตายที่ไหนมันตายไม่ได้เพราะมันไม่มีมันว่างจับวัวตน ว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นนี่ตาดว่างฉะนั้นมุมที่หนึ่งทุกขมุมที่สองเหตุได้เกิดทุกความยึดมั่นถือมัน่น ม, มุมที่สามนิโรธมุมที่สี่อริยมรุกต ก, กับนิโรธเป็นผลเหตุได้เกิดทุกขกับอริยมรุเป็นเหตุคนสมัยโบราณเราพูดว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราไม่เชื่อกอทำชั่วก็คุณไปโกงก็ได้ไปดีไปโกงโกงโกงโกงโกงโกงแต่แล้วได้อะไรได้ชั่วได้ชั่ว เ, เพราะมันคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนั่นแหะคือเหตุให้เกิดทุกข์ที น, นี้ทำดีได้ดีปฏิบัติตามอริยมรักไม่องแปดพอปฏิบัติตามอริยมมีองแปดก็เห็นอริยสัจสี่เห็นกันหน้าเห็นปฏิจรมบาท เห็นความไม่ยึดมั่นถือมันก็เลิกหยุดนี้โรดนี่แหละมันไปดับความยึดมั่นถือมั่นแต่ความทุกข์มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ความทุกข์เกิดทุกครั้งดับทันทีพอทุกข์เกิดดับทุกข์เกิดดับไม่เอาไม่เอาเลิกความยึดมั่นถือมันมันก็ทุกข์ไม่ได้เออกลัวความแก่เอาแก่ไปดิเกิดแล้วมันต้องแก่ ทุกทิ้งทุกอย่างก็มันไหลอยู่อย่างนั้นออกยุดไม่ยึดมั่นถือมันเกิดความเจ็บเลิกความยึดมั่นถือมันคิดถึงความตายเออก่อนที่จะตายเนี่ยไม่รู้ใครดูแลก็ฉั่งหัวมันไม่ดูแลก็อย่าดูแลดูแลก็ตายไม่เดี๋วเลก็ตายนั่นก็ตายทางนั้นอืจะไปเป็นทุกข์มันทําไมเนี่ยทําไมไม่อยู่กับความสงบนี่เปลี่ยงเลยถ้าอย่างนั้นเรียวกว่าเปลี่ยงเลยเปลี่ยง นี่ไม่รู้จั ก, กว่านั่ น, นคือความทุกข์นี่เราต้องปฏิบัติให้จริงจังทีนี้พอไปอสัมมาสติแล้วข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิไม่ใช่ไปหยุดแค่สมาธิสมาธิไปเพียงแต่ว่าทํำจิตให้นิ่งให้นิ่งเท่านั้นพอนิ่งแล้วคิ ด, ดนี้คิดว่าเอออะไรอนิจจังคืออะไรทุกขังคืออะไร อนัตตาคืออะไรขึ้นไปโน้นอยูแล้วขึ้นไปสัมมาทิฏฐิแล้วทีนี้ขึ้นสัมมาทิฏฐิแล้วขึ้นสัมมาทิฏฐิเราก็จะรู้ทีนี้ทีนี้พอไปเป็นพอสัมมาสมาธิจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิมันมีพลังมีพลังเป็นยังไงทีนี้ล่ะเดี่ยวโกเที่ยวเข็นเดี่ยวอะไรเขาหลงในเงินในทองในแกค่หวนใน ผู้หญิงในระหว่างเพศเลยจะหลงหมดสมาธิก็เสื่อมปัญญาก็ไม่เกิดพังทีนี้พระรูปไหนก็ตามถ้าไปอย่างนั้นพังพังดังนั้นเลยได้ฤทธ์นั่นคือฤทธ์ได้ฤทธ์แล้วก็พังอยู่ไม่ได้โอกาขปัญญาดังนั้นอริยามรรคมนองค์แปดทุกข้อปัญญากำกับเอาไว้ปัญญาก็คือสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาสัมมา สัมมาทุกข like, ้อจนถึงส so, so ัมมาสมาธิพอถึงส so ัมมาสมาธิแล้วก็ต่อไปเกิดอะไรถ้าเป็นสัมมัตตาสิบสัมมาญาณเกิดญาณเกิดญาณสัมมาสมาธิสัมมาญาณเกิดญาณเกิดญาณก็คือพอนั่งเนี่ยมันก็จะมาเองเนญาณจะรู้เองสัมมาญาณพอสัมมาญาณสัมมาอะไรสัมมาวิมุต หลุดพ้นไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นก็เรียกว่าสัมมัตาสิบธรมาทิตติสรรมาฉังกะโปธรรมาวาจาสรรมากรรมันโตธรรมาชีโวธรรมาวายาโมสรรมะติติธรรมาธรรมิสรรมายานแล้วก็สรรมาวิมุตติเห็นไหมวิมุตติก็คือหลุดพ้นอะไรว่าเป็นสรรมาวิมุตติธรรมาวิมุตติก็จบอะไรก็หยุดอะไรก็หยดอะไรก็เลิกยึดมั่นถือมั่น หลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความทุกข์ฟรีเลยทีนี้เพราะฟรีแล้วอย่างเอ็มมานูเอลเชอร์แมนเจ้าเยอรมันที่เขาไปบวชเป็นนิกายเซนเขาก็ามาประเทศไทยแล้วเ็าเขียนฟรีอิสแนานี่พ้แล้วโวยนี่สามา ม, สามาวิมุตติสามาวิมุตตินี่สามาวิมุตติเห็นไหม เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติอย่ายึดมั่นถือมั่นอีนี้ด้วยความเคยกินข้าไปปฏิบัติก็ยึดมั่นถือมั่นอีกจะเอามรรคจะเอาผลจะเอานิพพานไม่เอาอะไรทางนั้นอะไรก็ไม่เอาเกิด อ, อะไรขึ้นมา ก, ก็ไม่เอาไม่เอาทางนั้นนี่จิตแล้วมันจะไม่เอาถ้าเอาแล้วมันหนักถ้าไม่เอาแล้วมันเบ า, าไปลองไปช่างดูที่น้ําหนัก หนักมันเป็นยังไงเบามันเป็นยังไงนี่แค่สี่เหลี่ยมแล้ในสามเหลี่ยมนั้นพระพุทธพระธรรมประสงค์นั้นก็มีจุญญตาอยู่ในธานดังนั้นพระพุทธเจ้าจิตของพระองค์ประกอบด้วยสุญญตาคือความว่างจุญญตาดังนั้นพระธรรมคือของเดิมแท้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ความสงบที่มีอยู่ก่อนแล้วที่เป็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าค้นพบหรือว่าที่ใครๆปฏิบัติแล้วค้นพบเนาะคนพบพระธรรมพระธรรมก็คือพระธรรมพระธรรมจะอาดสว่างสงบเนี่ยพระธรรมพระธรรมวันมีอยู่ก่อนแล้วโลกนี้จะมีหรือไม่มีพระธรรมมีอยู่ก่อนแล้วนั่นคือพระธรรมความว่างความว่างคือพระธรรมพระธรรมคือความว่าง จากความว่างไปสู่ความว่างจากจิตว่างไปสู่จิตว่างจากจิตที่มันไม่ว่างคือจิตมีเลยจากจิตมีไปสู่จิตว่างจากจิตว่างไปสู่จิตว่างมันก็ว่างว่างว่างอยู่อย่างนั้นนั่นคือพระธรรมพระอริยสงฆ์อต่นี่เพียงรูปแบบนุ่งเหลืองโวมเหลืองนี่รูปแบบแต่อริยสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยังหัวดาอยู่ยังไม่ได้โกนผมอะไรนี่ก็เป็นพระอริยสงฆ์ได้เป็นขั้งน้อยไม่ได้เป็นขั้งนอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในจิตของท่านก็คือมีพระธรรมอยู่คือความว่างแค่นั้นสามเหลี่ยมนี่คือมีแต่ ว, ว่างว่างว่างพระพุทธเจ้าว่างพระธรรมว่างพระสงฆ์ว่า ง, ง, างเห็นไหมว่างหมดอีนนี้ทั้งสี่เหลี่ยมทั้งสามเหลี่ยม มีวงกลมอยู่ภายในมีวงกลมคือมีสุญญาตาอยู่ภายในสุญญาตาคือความว่างนี่แหละคือเรียกว่าที่เราถอดถอดไอ้สลักของของอะไรของความว่างออกมาให้เห็นเป็นความจริงว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นไอ้ที่พูดนี่คือจะเอา ไปเขียนทําเป็นสัญลักษณ์ของเสื้อแจกกันเป็นการใหญ่ต่อไปเอากันไปขออนุโมทนาญาตโยมที่ช่วยกันออกเงินออกทองอยากคิดว่าช่วยหลวงพ่อช่วยญาติโยมเขาให้เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยให้เราก้าวไปถึงจุดนั้นคือความว่างก็ขอให้ความว่างคือความสงบเย็นรง ปฏิบัติให้เกิดมีในจิตในใจของทุกๆท่านตื่น